ต้องฟัง 23 ธันวาคม 2531 วันเป็น 5 เพราะว่า 5 ต้องรีบ ความจริงการ 4 ป่วยมากไปหน่อยฉะนั้น <c oughs> นั่นคือโคศกเทพบุตรลงมาเกิด ไปพบปุโรหิตเข้าก็ถามว่าอาจารย์วัน คลอดบุตรยังเมื่อเห็นว่ายังก็สั่งไปค้นคว้าถามว่าใครลูกใครเกิดวันนี้ การจริงพูดเรื่องพระสูตรพระตอนนี้ไป แต่ไม่ได้ตั้งแข่งขันกับพระพุทธเจ้าสูตรแปล ขอโทษนิทาน เรื่องใดที่มายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงให้ถือ เรื่องไหนไม่ชอบจังไม่ยินไม่ เวลานี้ปรากฏว่าแผ่นดินไหวหลายแห่งใน และการกรกรจากนี้ประเทศต่างๆเค้าน้ํา แม่มีความเมตตาปราณีนี่ลูกแม่ต้องได้แม่ก็ เช่นนั้นปีนี้ปี พ.ศ. 2531 แม่จึงปรากฏ 3 เทอม 3 เทอม ไม่ช่วยเธอก็ไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ของเธอแต่ของของไม่มากบางบ้านก็ ก็ทำให้คนจนไปพักหนึ่งทําให้คนๆแล้วก็เลี้ยงอยู่ค่าอาหารอย่าง <c oughs> ค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การศึกษาค่าอาหารการบริโภคเลี้ยงกันทั้งหมดเลี้ยงกันจริงๆอย่างนี้เทอมละล้านบาทเสร็จ 3 เป็นเงินได้ 3 ล้านบาทเศษก็ไม่มีเงินใน เมื่อน้ําท่วมมา แต่ว่าต่อไปก็ จงอย่าลืมว่าเราก็อยู่ในโลกเขาก็อยู่ในโลกลืมว่าเราก็อยู่ใน เค้าอย่าคิดว่าเหตุร้ายอย่างนี้จะไม่มีกับเราก็แล้วก็จง นี่ก็ต้องขอย้อนเรื่องไปนิดนึงตามพระสูตรท่านบอกว่าพระพุทธเจ้า เรื่องของธรรมชาติอาตมาก็จํา พ.ศ. ไม่ เวลานั่งกับ ดร. ปริญญาไปด้วยกับเหมียว ดร. ปริญญานุตาลัยนี่เป็นพาไปเที่ยวจึงถามว่า ดร. ที่มานี่ธุระอะไรมีธุระ ก็รังจ้างให้หาเหตุหาผลเป็นดินไหวว่าพื้นดินไหวเหตุผล เวลามาพูดคุยกับมัน ท่านก็กล่าวว่าแผ่นดินมันเป็นร่องนั้นลมก็แทรกร่องภายใต้ อาตม์ตกเช้าฉันท์ข้าวเสร็จบ่งเช้าเสร็จๆก็เสร็จเข้าห้องพอเข้าห้องปั๊บก็เห็นพระท่านท่านถามว่ายังสงสัยเรื่องแผ่นดินหวาย ไม่มีทางที่ลมจะเข้าไปได้มีทางที่ลมจะเข้าไปได้แล้วทําไม ฉันจะพาไปชมจะกลับกันจริงๆใกล้ 11:00 เวลานี้ไม่มีใครก็สงสัยก็ ในโลกนี้ฝรั่งเขาบอกว่ากลมไทยก็บอกว่ากลมในเมื่อฆราวาสบอกว่ากลมพระก็ <c oughs> ว่าเขามีความรู้จริงเขามีความรู้จริงหลังจาก ก็ถือว่าเป็นทรงดีกว่าทรงของดินเนี่ยมันจะ ไปเก็บไปเก็บมาเลกมาเลกไปจริงๆตามเส้นใหญ่มันก็ทั่วโลกชนกันแล้วก็มันยาวไปทั่วโลกใหญ่ๆ1 ไปกิโลเมตรบ้างเกินบ้างแคบมา ที่พาถะไปเลยรวมความว่าร่องใต้ดินเนี่ยมองแล้วไม่ดีแต่ว่ามองไปพื้น <c oughs> พื้นดินพื้นดินส่วนต่ําไม่ <c oughs> ภายใต้พื้นพิภพที่เป็นร่อง แล้วๆก็มีพระท่านก็เลยๆเข้าก็ การแขกแหว่งระไหวแรงก็ทบ ลองนั่งว่าประเทศไทยกับประเทศจีนใกล้กันหรือไกลกันในกระแส อัปปมาเณนะสัมมาเถะนั่นหลายอย่างความไม่ประมาทให้เตรียมพร้อม นักธรณีวิทยาอาตมาก็ไม่รู้ แต่รวมความว่าบรรดาท่านผู้ฟังฟัง ละจังหวัดอะไรจังหวัดแม่สอดแม่สอดนะอําเภอบอกเฉพาะจุดแต่มันจุดเป็นตัวอย่างแต่คําว่าบางก็ไม่ใช่บาง สามารถต้านทานภูเขาอยู่ยังสามารถต้านทานน้ําหนักทั้งหลายอยู่แล้ว อันใหญ่ออกไปด้วยตัวไวแล้วก็มุดทะเลไปไปขึ้นดินไหนที่ไหนตามประเทศชังมันไม่เกี่ยวกับเรากระท่อมความว่าพระที่บอกว่าลมที่เป็นไอน้ํามันมารวมตัวกันรวมมากๆก็มีกําลังพัดสูงมันก็ไหลไปไหลมาไหลมาและไปไหลจากถนนมาชน เนมเมื่อกําลังอัดตัวมันมากขึ้นมันก็มีกําลังแรงมันก็โค้งเข้าพุ่งไปชนกําแพงได้ข้างด้านใดด้านหนึ่งของโพรงแผ่นดินก็ไหวจึงก็ถามท่านว่า ทำไมต้องมาชนให้เป็นดินไว้แต่ก็บอกว่า ทำไมลมไม่ลอยตัวบรรยากาศซึ่งเข้าพัง <c oughs> ส่วนเรื่องของเหตุเชิงประดินไหวก็มาจาก ไอ้เป็นกระแสน้ําพุนี่ไอน้ําไอน้ําเมื่อระเหยมาแล้วก็กลายเป็นลมลมเมื่อรวมตัวกันมากๆเข้าแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่กําลัง ท่านจะมาพูดกันเรื่องแผ่นดินทะล่มก็เลยมีราย 1 นาที ทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่จะคิดว่ามันเที่ยงหาหมดได้แล้วมันก็หมดไปที่มันไม่ ครองความว่าทั้งหวังอย่างหวังการทุกข์จะพบแต่ความไม่คือความแน่นอนเท่านั้นหวังนิพพานเป็นที่ไปคนหวังนิพพานก็คือหนึ่งรู้จักการให้ เป็นเหตุตัดคาโทสะความโกรธเพียง 3 พอเจริญภาวนาเพื่อตัดโมหะความ ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดี